เราอาจจะไม่ไม่เคยรู้สึกว่าไอ ห, หัวใจเราเต้นแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮนะแล้วก็ไอการสู่ฉีดของโลหิตที่มันเป็นผลจากการเต้นหัวใจเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันนะแต่ไอปกติเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันผิดปกติมันจะแตกต่างกันตรงไหนเราอาจจะเห็นบ้างในรายห ย, ยาบๆก็ได้ แต่ในขณะปฏิบัติเนี่ยมันเห็นเลยว่าความแตกต่างของความเป็นไปของนามของรูปเราในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยที่เราว่าตั้งแต่เช้าจุดเย็นไม่เหตุการณ์ปกติเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันมันไม่ได้เป็นปกติคงเส้นคงวาเหมือนกันเป็นไปตามอำนาจจิตของเราบ้าง แล้วก็ไอ้บางทีเนี่ยฮะไอ้ไอความร้อนเนี่ยมันไม่ได้มาจากข้างนอกมันเกิดมาจากอาหารก็มีอาหารราชะปัจจยาอุตุชาคือความร้อนที่เกิดจากาลูกเกิดจากความร้อนแต่ความร้อนมาจากอาหารลูกนั้นเกิดจากความร้อนแต่ความร้อนเกิดมาจากจิตจิตเราเนี่ยมันทําให้เกิดอุณหภูมิแตกต่างกันอย่าง เราพอรู้รู้อยู่บ้างจริงไหมครับเราอย่านึกว่าเราจะร้อนต่อเมื่อเราโกรธถามว่าโลภร้อนไหมเวลาเกิดความโลภึ้นมาร้อนไหมร้อนง่วงร้อนไหมอย่านึกว่าเย็นนะง่วงอะลองที่ง่วงเหงือแตกสิกร้อนแล้วบางทีก็ไม่ร้อน นี่เราก็ดูตรงนี้เออมันมันเหตุปัจจัยมันต่อเนื่องกันและไอ้บางทีเนี่ยครับแม้ เ, เรากำลังเกิดสติธรรมชาัญญะอยู่รอนพยายามนึกถึงประสบการณ์ตัวท่านด้วยนะเหล่อจะได้พอเขอ้าใจขึ้น ทีนี้เวลาที่เราเห็นไอ้ความปรากฏอย่างเนี้ย เ, เ, เราก็เคยมีความรู้สึกกลัวจะเป็นวิปัสสนึกไปอันหนึ่งก็คือว่าพอมันเห็นแล้วมันชอบหาคําตอบว่าเอา๊ะมันอะไรเพราะอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวจะเป็นวิปัสสนึกแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่วิปัสสนึกับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเห็นแต่ว่าการที่เราไปสังเกตที่ไอ้จริงตัวนี้แเราเรียกว่าสามั ญ, ญญาอันหนึ่ง สังเกตด้วยว่ามันเพราะอะไรสังสังเกตตัวนี้ต้องระวังอย่างที่ว่าไม่ให้มันนึกเลยเถิดต้องนึกอยู่ในกรอบของการนำพาของการอย่างเห็นแล้วก็ไอการนึกเข้าไปเนี่ยทำให้การอย่างเห็นตามหลังไปแล้วก็เมื่ อ, อยังเห็นความนึกก็นำทางไปอีกหน่อยตรงนี้ไม่ใช่วิปัสสนึกและเป็นเรื่องที่จะต้องคำนึงนึก อยู่ในในอาณาบริเวณของวิปัสนาไม่ใช่นึกเดื่อเ ด, ด, า, นดานเอาเองอันนั้นเสียวิปัสนาเสียกรรมฐานแน่นอนแล้วมันอดไม่ได้ใช่ไหมแต่ข้อสาคัญเนี่ยเราก็ต้องระวังอย่านอกเรื่องไอ้ความนึกอันนี้ต้องต้องไม่นอกเรื่องไม่นอกทางจะต้องเป็นเรื่องของความนึกที่เสริมกรรมฐาน เสริมกรรมฐ า, านหรือดึงกรรมฐ า, านหรือขยายความอย่างลงของกรรมฐ า, านและความนึกอย่างนี้นะมันต่างกับความนึกในท่านความคิดคือว่ามันแค่ชำเรืองจิตไปนิดหนึ่งนะเป็นลางตาชำเรืงจิตเป็นนึกหนึ่งแล้วมันได้คำตอบการตามกําหนดทางภาวนาเนี่ยกำกับตามหลังไปเลย มนั้นก็อย่าไปลังเกียจมันอย่างสิ้นเชิงบริหารมันให้ดีตรงนี้ควบคุมมันให้ดีจะทำให้เราได้เหตุผลในทุกๆด้านที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกระบวนการของการบริหารทางวิปัสสนาภาวนาที่เรียกว่านึกนิดเดียวแต่รู้มาก จนถึงว่าเกือบจะไม่ต้องนึกก็รู้อนะ่ะเกือบจะไม่ต้องนึกนะคือมันเป็นความนึกที่ทกระชั้นเกือบจะไม่ต้องนึกมันก็กได้คาตอบแล้วมัก็มาช่วยเบ่งตัวภาวนาเนี้ยให้เติบใหญ่ขึ้นเรา เอาเอกสารชุดสิบเอ็ดขึ้นมาดูต่อไปอีกหน่อยหนึ่งก่อนในเอกสารชุดที่สิบเอ็ดนั้นเป็นเอกสารที่มุ่งที่จะรวบรวมบทอธิบายขยายความยานสี่ที่ยังเห็นความเกิดดับโดยวิสดา n ให้วิกิจยิ่งขึ้นแล้วก็สอดรับกับที่ผมได้ พูดมาไอเรื่องของความนึกตอดเล็กตอดน้อยเนี่ยหรือขยายมุมของตัววิปัสสนาญาณอันเป็นตัวหลักให้คมลึกยิ่งขึ้นไปในแง่ในมุมส่วนนั้นส่วนนี้ที่เนื้อความในประเด็นหนึ่งที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าเห็นเกิดดับโดยปัจจัยและโดยขณะอันนี้ก็ ม, Base มีเนื้อความที่ขออ่านลวดไปจนจนครบประเด็นเลยนะว่าพระโยคีนั้นเห็นความเกิดขึ้นแห่งขันทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยเพราะความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นและเห็นความดับแห่งขันทั้งหลายเพราะความดับแห่งปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นอันใดอันนี้เป็นการเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยปัจจัยของเธอ อันนี้ก็เป็นการบอกว่าในในคัมภีร์ได้บอกว่าคนได้ยานที่สี่นั้นเห็นอย่างลงในทางลึกว่านามรูปที่ปรากฏเกิดขึ้นสืบต่ออยู่ในสังสารวัตรเนี่ยเพราะมีสมุดฐานทําให้เกิดสืบต่อและจะทําให้นามรูปไม่เกิดสืบต่อต่อไปต้องดับอวิชชา ถึงขนาดนี้จะยังดับไม่ได้อย่างคนบนรรลุพระลานแต่ก็รู้แหละรู้สราบซึ้งอย่างผู้ปฏิบัติพึงรู้ในขั้นยานสี่จะเรียกได้ว่าปากใจได้ว่าชีวิตนี้ไม่เป็นสุขแล้วและชีวิตที่ต้องมาเป็นทุกข์นะั้เพราะกิเลสมีอวิชชาเป็นอันตรายในทางลึกอย่างแน่นอนและจะพ้นจากทุกข์ได้ ไม่ใช่ด้วย โ, โวิธีการอื่นต้องดับเหตุแห่งทุกมีอวิชชาเป็นต้นนี้ต่อไปท่านกล่าวว่าส่วนว่าเมื่อเห็นลักษณะที่เกิดขึ้นและลักษณะที่แปรไปจึงเห็นความเกิดและความเสื่อมแห่งขันทั้งหลายอันใดอันนี้เป็นการเห็นความเกิดและความเสื่อมโดยขณะของเธอเพราะว่าลักษณะที่เกิดขึ้นย่อมมีในอุปาติขณะอันนี้ก็เป็นอีกภาษาหนึ่งของคําว่าอุปาทิาขณะ เท่านั้นและลักษณะที่แปลไปย่อมมีในพังคขะขณะอันนี้เป็นการกล่าวโดยการเห็นขณะด้วยต่อไปเมื่อพระโยคีนั้นเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยส่วนสองคือโดยปัจจัยหนึ่งโดยขณะหนึ่งอย่างนั้นอยู่นั้นไอตรงนี้จะเป็นการพูดถึงการอย่างเห็นในทางอยับลึกว่าการเห็นของยานสี่เนี่ยเห็น ประจักษ์อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยคือเกิดดับโดยขณะแล้วก็การอย่างเห็นในลักษณะเหมือนกลาลังส่วนที่เหมือนจะ ว, ว่าเป็นอย่างก้ากึงไปในทางชั้นของความคิดโดยไหนที่เรียกว่าโดยไหนมองเห็นกระแสะเหตุปัจจัยในสังสารวัต อันมีความเกิดดับโดยขณะนำพาไปมันอยู่ตรงไหนเมื่อไปเห็นตรงนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ความเข้าใจในเรื่องอริยสัจปฏิจจ์ในและลักษณะปรากฏอยู่ในสำนึกเลยครับ ได้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนความเข้าใจความนึกคิดอย่างภาวนาใหม่นำลึกเข้าไปสู่กระแสของอริยศาสตร์นี่เราดูในบทอธิบายอริยศาสตร์ปรากฏว่าปรากฏอย่างไรอันนี้ผมคัดข้อความในคมพีมาเพื่อเป็นการยืนยันพอเป็นเรื่องที่ผมได้เคยอธิบายมาค่อนข้างเยอะในตอนต้นๆเกี่ยวกวับเรื่องโลกียาอริยศาสตร์ ที่บุคคลเห็นในขั้นโลกเกียมักนนะ เ, นเนี่ยนะในสองจุดหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยสมุทัยเป็นอันปรากฏเพราะมาอย่างรู้ปัจจัยผู้ให้เกิดจริงไหมเห็นอวิชชาโออีไอนามลูกของเราที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัย แล้วก็กรรมเหตุปัจจัยนี่เราแบ่งเป็นง่ายๆว่าวเหตุปัจจัยเฉพาะหน้ากับเหตุปัจจัยขั้นพื้นฐานเหตเป็นเหตุปัจจัยหลักคือกิเลสและกรรมเหตุปัจจัยเฉพาะหน้าก็อย่างอุดตุอาหารสัมผัสสุขต้องอะไรพวกนี้เป็นเหตุปัจจัยเฉพาะหน้านี่ชื่อว่าเห็นสมูทยัยในขั้นของโลกียะ 2.2 จุดสองด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยเฉพาะทุกข์ัดเป็นอันปรากฏเพราะอย่างรู้ชาติทุกข์ข้อนี้คำว่าความเกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงไม่ใช่โดยขณะนะฮะตรงนี้หมายถึงเกิดขึ้น แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเกิดแต่ละพบแต่ละชาติสืบต่อกันนี้ที่เราตายแล้วก็ต้องเกิดอีกตายแล้วก็ต้องเกิดอีกเนี่ยเพราะว่าเรายังมีอวิชามีกรรมเป็นปัจจัยการเห็นนามรูปที่ปรากฏสืบต่ออยู่ในสังสารวัตรเพราะปัจจัยเหล่านั้นเห็นปัจจัยเป็นสมูทยัยเห็น ความเกิดมีชาติเป็นต้นหรือว่าเป็นทุกข์ความจริงจะชาติหรือจะชะาก็เป็นเรื่องที่นับเนื่องอยู่ในความสืบต่อข้างนามรูปในสังสารวัตนี้นั่นเองคันนี้สองจุดสามด้วยการเห็นความเสื่อมไปโดยปัจจัยนิโรธศัสตร์ก็เป็นอันปรากฏเพราะอย่างรู้ความไม่เกิดขึ้นแห่งสิ่งที่เป็นปัจจัยทั้งหลายเพราะความไม่เกิดขึ้น แห่งปัจจัยอ๋อความไม่เกิดขึ้นแห่งสิ่งที่มีปัจจัยนะอันคืออันนั้นคือผลแล้วก็ความไม่เกิดขึ้นแห่งปัจจัยคือเหตุนี่ก็คือมองเห็นความปฏิเสธสัมพันธ์กันของนามรูปในสังสารวัตรกับอวิชชาเป็นต้นเราจะทำให้นามรูปดับได้ ด้วยการดับอวิชชาถ้าดับอวิชชานามรูปในหลังละวัดก็ดับี่ชื่อว่าเห็นช่องทางที่จะนำไปสู่นิโรธเป็นนิโรธขั้นโลกีก็เรียกว่าเจอทางออกละ่ะสองจุดสี่ด้วยการเห็นความเสื่อมโดยขณะทุกขสัตเป็นอานปรากฏอีกนั่นแหละเพราะมาอย่างรู้มรณะถูกเออตรงนี้ ท่านกล่าวถึงความเสื่อมที่ปรากฏโดยขณะอันนี้ก็หมายถึงที่ว่าเห็นเกิดดับโดยขณะนะฮะแต่ว่าตรงนี้ท่านเอาตัวความเสื่อมโดยขณะแยกมาเป็นข้อหนึ่งแล้วก็ความเกิดขึ้นที่เป็นการเกิดขึ้นโดยสังสารวัตไว้เป็นชาติก็หมายความว่าทุกขสัตริย์ที่ปรากฏในวิปัสสนาญาณสีเนี่ยได้แก่เห็น อาการเกิดดับเนี่ยอธิบายแบบทั้งหมดเกิดดับโดยขณะก็ชื่อว่าเห็นทุกข์ที่เราตั้งเป็นหลักกำหนดล่ะนะแล้วก็เห็นความสืบต่อของนามรูปที่ติดกันเป็นพืชในสังสารวัตรอันเป็นผลผลิตของอวิชชานั่นก็ชื่อว่าเห็นทุกขสัตว์ท่านจึงบอกว่าเห็นโดยขณนะนั่นก็เป็นการเห็นทุกข์อีกนั่นแหละสองจุดห้าอันนี้จะกล่าวถึงมรรคสัต ว่าความเป็นมักกะัตย์อยู่ตรงไหนด้วยการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของพระโยคีนั้นอันใดอันนี้เรียกว่าโลกียมักเพราะเหตุนั้นมักกะสัตย์ก็เป็นอันปรากฏเพราะกําจัดสามโมหะในมักนั้นเสียได้อันนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งก็ได้ความว่าท่านบอกว่าวิปัสสนาญาณสี่นั่นเองเป็นมักใช่ไหม ที่อบรมหนักเข้าหนักเข้าก็เป็นโลกตัลามัคไว้เองแแต่ว่าวิปัสสนาญาณสีเนี่ยจัดเป็นโลกีามัคไม่ใช่โลกุตัลามัคเป็นมัคเบื้องต้นไม่ใช่มัคขั้นโลกุตัละและข้อความที่สําคัญก็คือว่าธรรมดามัคเนี่ยเป็นตัวประหารกิเลสใช่ไหมเป็นตัวประหารกิเลสเนีว่ากําหนดรูปทุกอะไรอะไรเนี่ยแต่ว่าในแง่กับ ก, กิเลสแล้วก็ประหารกิเลส นิวิปัสสนาญาณสี่เนี่ยถามว่าประหารกิเลสไหมประหารกิเลสคืออวิชชาเป็นสําคัญหรือไม่ตอบว่าประหารถามว่าประหารแบบไหนประหารแบบต่างทางฆ่าประหารนะก็คืออท่านกําลังจะบอกเราว่าเราทั้งหลายเนี่ยเรามีโมหะในนามรูปทั้งในเหตุเกิดของนามรูปและทางที่จะออกจากนามรูปเบ็ดเสร็จหมด แล้วก็ไม่ได้ทำทางที่จะพ้นไปจากนามรูปด้วยพอคนได้ยานที่สี่เนี่ยฉลาดในเรื่องของนามรูปได้ในระดับหนึ่งโมหะในระดับนี้ถูกทำลายเสียด้วยตาทางค้าพหานะก็คือ วิปัสนาญาณทุกญาณเนี่ยมันมีส่วนในการละกิเลส ท, ทั้งสิ้นแต่ไม่ได้ละเด็ดขาดเท่านั้นเองนี่เราพลิกมาดูอีกประเด็นหนึ่งในหน้าสองปัจจยยการสองส่วนย่อมปรากฏตรงนี้นะถ้าใครฟังพระสูตรเรื่องปัจจัยสูตร ที่อธิบายไปแล้วฟังแล้วไม่มีข้อติดขัดเลยแต่ว่าไม่ได้ฟังผมก็ต้องเอาพระสูตรนั้นมาอ่านอ้างในฟังนิดหนึ่งก็อ่านในเอกสารนี้ก่อนว่าด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยอนุโลมปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอันปรากฏแก่พระโยคีนั้นเพราะอย่างรู้ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี คําว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนะี่ยท่านหมายถึงเกิดอย่างสังสารวัฏเกิดนะแล้วก็เพราะสิ่งนี้มีก็คือเหตุที่ทําให้สังสารวัฏปรากฏเรียกว่าอนุโลมปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทสายเกิดด้วยการเห็นความเสื่อมไปโดยปัจจัยปฏิโลมปฏิจจ สมุบาทเติมปฏิจจะไปหน่อยก็เป็นอันปรากฏปฏิโลมปฏิจจสมุบาทก็เป็นอันปรากฏคําปฏิโลมปฏิจจานะหมายถึงสายดับเพราะอาวิชชาดับอย่างอื่นก็ดับตามหมดนะฮะสมูตไต ด, ดับผลของสมูไย ด, ดับนั่นแหละแต่ในยานที่สี่เนี่ยก็อย่างที่ว่าที่ว่าเห็นเนี่ยคือดับอวิชชาบางส่วนได้ดับผลของอวิชชาบางส่วนได้ด้วย แล้วก็มองเห็นว่าทางที่จะดับผลของอวิชชาได้ทุกส่วนมีทางนี้แน่ถึงแม้ว่าตัวเองในขณะนั้นจะยังดับไม่ได้ก็ชื่อว่าเห็นแล้วก็ได้ชื่อว่าปฏิจจาศายนั้นปรากฏปรากฏในฐานะที่เป็นลู่ทางในทางปฏิบัติต่อไปด้วยเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะ ครานี้สาอาสะคในต่อไปท่านกล่าวว่าด้วยการเห็นทั้งความเกิดและความเสื่อมโดยขณะปฏิจจสมุปปณธรรมทั้งหลายนับว่าปรากฏเพราะอย่างรู้สังคตะลักษณะผมอ่านให้จบแล้วอธิบายหน่อยตรงนี้ด้วยว่าธรรมทั้งหลายที่มีความเกิดและความเสื่อมไปได้ย่อมเป็นสังคตะธรรมและสังคตาธรรม เหล่านั้นเป็นปฏิจจสมุปบาทนธรรมนั่นแหละนี่ตรงนี้ถ้าไม่ไม่ได้อ่านพระสูตรแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ยัดนะ อ, อตรงนี้นะถ้าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทหมายถึงการกล่าวถึงปฏิยาการโดยส่วนแห่งปัจจัยใช่ไหมและกล่าวถึงปฏิจจในส่วนที่เป็นผลเรียกว่ากล่าวอย่างเป็นปฏิจจสมุปบาทนธรรม คือพูดง่ายๆว่าอย่างปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์งมันเป็นทั้งเหตุทั้งผลถ้าเรากําหนดหมายอย่างเป็นเหตุมันก็เป็นปฏิจจสมุปปาถธรรมถ้ากําหนดในฐานะเป็นผลก็เป็นอย่างปฏิจจสมุปปันธรรมทีนี้อการกําหนดอย่างเป็นวิปัสสนาในฐานะที่เป็นผลเนี่ยครับเขากําหนดยังไงกําหนด เช่นกำหนดอวิชชาอย่างเป็นผลคือกำหนดอวิชชาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังนาตานี่กำหนดอย่างเป็นผลกำหนดสังขารอย่างเป็นผลกำหนดว่าอนิจจังทุกขังนาตาถ้ากำหนดอย่างเป็นเหตุก็คือกำหนดว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขาร นี่คือกำหนดอวิชชาอย่างเป็นเหตุอันนี้ถ้าให้ผมอ่านพระสูตรนั้นแบบเลือกอ่านให้เข้าประเด็นกันที่เป็นปัญหาอยู่นี่ที่จริงน่าจะถ่ายมาแจกด้วยแต่บังเอิญที่ผมถืออยู่มันเขียนอะไรไว้ลกเต็มหมดก็เลยอาจจะเข้าหน้าให้เขาถ่ายมาแจกให้ก็แล้วกันอย่าได้ได้เห็นตรงนี้ด้วยน ะ, ะพระสูตรนี้นะกล่าวถึงปัจจยาการสองส่วน พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเร า, าาาลาเราจะแสดงปฏิจจสมุปบาทและแสดงปฏิจจในขึ้นหัวข้อเราจะแสดงปฏิจจสมุปบาทและแสดงปฏิจจสมุปปันธรรมคือปัจจัยการจะมีอยู่สองส่วนแล้วก็ทรงตรัสขยายความว่า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 ดูกรภิกษุทั้งหลายชาลาและมรณะเป็นของไม่เที่ยงอานิจังอันปัจจัยปรุงแต่งสังขตังอาศัยการเกิดขึ้นปฏิจจสมุปปนนังมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปนิโรธธรรมังเป็นธรรมดาชาติก็เช่นเดียวกันพบก็เช่นเดียวกันอุปาทานก็เช่นเดียวกัน นี่คือกล่าวอย่างในฐานะที่เป็นผลแต่ว่ากล่าวอย่างเป็นผลอย่างเป็นอารมณ์ของยานสีต้องเห็นโดยความเกิดดับเป็นอนิจจังทุฟังหน้าตาก็เลยได้ความว่าไอ้เวลาพิจารณาเนี่ยจะไปด้วยกันพูดถึงคนได้ยานสีมุดว่าพิจารณาอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดจากอวิชชาวิญญาณ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดจากสังขารนี่คือปฏิจจ์ปฏิยาการสองส่วนพิจารณาคู่กันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของเหตุของผลที่พูดอย่างเป็นปฏิปฏิยาการเนี่ยโดยสรุปแล้วก็สอดคล้องกับที่พูดมันจะตอนตอน้ต น, ตนว่าเหตุปัจจัยบางส่วนเป็นเหตุปัจจัยเก่าก่อนเหตุปัจจัยบางส่วนเป็นเหตุปัจจัยในปัจจุบัน แต่นามรูปนั้นเป็นปัจจุบันเป็นตัวหลักยืนพื้นอยู่ในปัจจุบันพอโยงไปหาเหตุหาปัจจัยก็มีเก่าบ้างใหม่บ้างแล้วก็เหตุปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่อื่นไกลมันก็คือนามคือรูปนั่นแหละนามรูปเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลวนวกเวียนอยู่ในอัตภาพของเหล่านี้ทุกๆุกคน นามรูปเป็นผู้ลิขิตนามรูปนามรูปถูกนามรูปลิขิตเราเป็นผู้ลิขิตตัวเราตัวเราถูกตัวเราลิขิตแล้วก็เวลาจะเพิกถอนอะไรอะไรเนี่ยก็ต้องถอนไอ้เหตุปัจจัยข้างในเนี่ยเป็นหลักสำคัญเหตุปัจจัยภายนอกนั่นถือเป็นของเล็กของน้อยไม่เป็นสาระสำคัญต่อการดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง อันนี้ก็เป็นเรื่องพระสูตรที่บังเอิญมาสอดคล้องกับตรงนี้พอดีก็เลยเอามาอ่านประกอบให้ให้ฟังเพราะฉะนั้นในนี้ท่านจึงพูดในเชิงปฏิจจสมุปบาทว่าเห็นในส่วนเหตุนในส่วนผลอย่างนี้ก็เลยได้ความว่ายานสีเนี่ยเห็นเหตุกับผลนะฮะ นี่ไอ้เห็นเหตุก็เหตุใกล้เหตุใก ล, เ ห, กลเห็นหมดแล้วก็ไอ้ผลเนี่ยก็เห็นอย่างชนิดที่มันเป็นผลโดยเบ็ดเสร็จเป็นผลอย่างยั่งยืนสืบต่ออย่างยั่งยืนก็เหตยปัจจัยแล้วก็เห็นอาการของผลที่มันเป็นผลผลิตที่ไม่น่าพึงใจเพราะมีอาการเกิดขึ้นทั้งอยู่นับไปทีนี้มาดูบทอธิบายว่าในสี่ย่อมปรากฏ ท่านอธิบายว่าด้วยการเห็นอันนี้ในสีคือในที่หนึ่งก่อนนะในที่หนึ่งด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปั จ, จัยเอกัตไนแล้วให้ด้วยว่าในแห่งความเป็นอันเดียวกันก็เป็นอันปรากฏแก่โยคีนั้นเพราะอย่างรู้ความไม่ขาดสายแห่งสันดานด้วยการสัมพันธ์กันแห่งเหตุและผล ดังนั้นเธอก็ละอุดเฉททิฏฐิได้ดีขึ้นท่านสังเกตคําว่าได้ดีขึ้นนะเพราะว่าได้บอกแล้วว่ากิเลสใดๆทุกๆตัวที่บอยานนั้นละมันน่าจะเลิกกันไปนานแล้วละได้ก็จบกันไปแล้วทําไมต้องมาละในยานอื่นนี่เพราะกิเลสแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ใช่ละคราวดเดียวแล้วหมดจดครบทุนสมบูรณ์อันนี้ต้องจำไว้ด้วยมันยังมีบางส่วนที่ขยักไว้เพื่อ ยานหนึ่งๆละได้เข้มขึ้นดีขึ้นตอนนั้นแต่ละยานก็ละได้พอแก่ความสําเร็จคุณวิเศษชั้นนั้นชั้นนั้นไปโดยลําดับผมจะอธิบายคู่กันกันกบในสองในสองด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยขณะเมื่อกี้เกิดขึ้นโดยปัจจัยความเกิดขึ้นโดยขณะ นานัตต์ไหนในแห่งความต่างต่างกันหรือในต่างกันหรือในอื่นจากกันก็เป็นอันปรากฏเพราะยังรู้ความเกิดขึ้นแห่งสิ่งใหม่ๆดังนั้นเธอก็ละสัสะตาทิฏฐิได้ดียิ่งขึ้นคือลึกซึ้งชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองเอตรงนี้นะ่ะเราจะเห็นว่า ถ้าเป็นลทัทธิภายนอกเนี่ยสุดตรงความเข้าใจความเห็นเรื่องชีวิตจิตใจนั้นสุดตรงไปในทางเป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกันหรือขาดจากกันเด็ดขาดเป็นคนละคนกันประเภทตายแล้วศูนย์ขาดกันเลยไม่เกี่ยวข้องกันเลยนั่นคือสุดตรงอีกอย่างหนึ่งในทางความคิดแต่ว่าในทางของหลักทางศาสนาพุทธ แล้วก็ความที่บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างเห็นเนี่ยมันเห็นความคิดเห็นอย่างเป็นอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางคืออย่างไรคือของเราเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอื่นจากกันโดยสิ้นเชิงเอกัตไนเนี่ย เอกัตนายไม่ได้แปลว่ายอมรับว่าเป็นอัตตานุทิติเป็นสัตสตาติติเป็นของเที่ยงนะแต่เราถือว่าเนื่องกันร่วมกันนามรูปแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยจริงมันไม่ใช่คนละขณะกันไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซนก็จริงแต่ว่ามันเกี่ยวพันกันโดยความเป็นเหตุเป็นผลโดยความสืบเนื่อง เรื่องกรรมก็สืบเนื่องกันได้อุปนิสัยความทรงจําสืบเนื่องกันกันได้สืบเนื่องมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในแต่ละกิ่งแล้วแต่ละกระแหงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้แหละเรียกว่าผู้นั้นเห็นความสืบเนื่องซึ่งการเห็นความสืบเนื่องอย่างนี้สแสลงทิฏฐิที่เรียกว่าอุดเฉททิฏฐิที่เห็นว่าขาดศูนย์ไง อุดเฉท่านนี้ก็ถือว่าไม่เกี่ยวกันคนละคนกันโดยเด็ดขาดคนละอัตรากันโดยเด็ดขาดไม่เกี่ยวกันเลยคนตายแล้วก็ศูนย์คนศูนย์ก็ศูนย์ไปเลยคนเกิดใหม่ก็เกิดใหม่เลยหรือว่าคนที่ทํากรรมเมื่อตอนทํากรรมก็มันก็นานแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรติดเนื่องมาถึงคน อีกคนหนึ่งที่จะต้องมารับผิดชอบเสวยกรรมในตอนหลังเนี่ยอุเทียรทิตินะเขามีความคิดแบบไม่รับผิดชอบอะไรเลยอย่างนี้พอคนไปเห็นอย่างนี้เข้าเนี่ยเกิดความรู้สึกรับผิดชอบและเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่มีความหมายนะฮะอย่างที่เรารู้สึกลมัดระวังกันอย่างใน ความรู้สึกของคนปฏิบัติกรรมฐานได้สูงเนี่ยว่าอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ใช่ไม่มีความหมายอะไรหรือไม่เป็นไรเช่นเราเราพึดล่วงศีลข้อใดข้อหนึ่งนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่าบอกว่าเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยภัยหมายถึงเห็นอันตรายโทษคือความผิด าบาปแม่นิดหนึ่งความผิดแม่น้อยหนึ่งจะเป็นคนละเอียดมากและรับผิดชอบในเรื่องนี้สูงทั้งที่ไม่ได้ยึดถือตัวตนอะไรเลยจริงแต่ว่ารู้ว่ามันมีผลที่จะทำให้นามรูปเราเป็นอย่างไรอย่างไรจึงเราวังเรื่องนี้สูงแล้วก็ไอ้เนี้ยท่านหมายที่ว่าทั้งเหตุผลเหตุอย่างเป็นเหตุเฉพาะหน้าเหตุลึกเหตุละเอียด อ, อย่างทานองเดียวกับเรื่อง ใชให้ผมยกตัวอย่างอย่างเหตุใกล้ๆสำหรับคนทำกรรมฐานเนี่ยเรื่องนี้นะแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดอะไรมากนะแล้วก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้นึกว่าพูะุทธเจ้าจะสอนเอาไว้ถึงขนาดนี้ว่าเวลาที่เราจะหาความเจริญในในธรรมเนี่ยเราก็อาจจะนึกว่าแค่อยู่ในศีลในธรรมดีพอแล้วแต่ไม่พอ ยังเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องไปถึงสับปะยะอย่างวิจิตพิสดารอย่างอื่นเรายังไม่มีโอกาสได้เอาเรื่องนี้มาอธิบายกันเรื่องสับปะยะยุมหยิมพวกนี้นะทําไมถึงกล่าวกันละเอียดเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องคงจุง้งคงจุ้ยเนี่ยอธิบายคงจุ้ยแบบธรรมะก็ไม่ได้เหมือนกันเว่าไอ้บางที่เนี่ยที่เดียวกันคนหนึ่งสร้างกุฏิต้องหันหน้ามาทางนี้เอกคนหนึ่งสร้างกุฏิต้องหันหน้าไปทางทําไม ท่านบอกว่าไอ้จริญคนไอ้เงื่อนไขในตัวคนเนี่ยมันเป็นตัวทํำให้ต้องหันทิศไอ้คนไหนที่อฟุ้งซ่านที่เรียกว่าจริตพวกฟุ้งซ่านเน่ะเน๋ยอบาลีว่าอะไรนึกออก อ, อะไรล่ะพวกฟุ้งซ่านพวกจริญฟุ้งซ่านเขาเรียกว่าอะไรนะวิตกจริญ พอเป็นจริตเรียกวิตกจริตแต่หมายถึงอุดทัศจ่าเนี่ยแหละพวกนี้เวลาเลือกทำเลือกทำเลสมมุติเอาไปกันห้าองค์เนี่ยคนไหนอุดทัศจ่จริตต้องหันหน้าไปในที่ที่เป็นที่แคบๆอย่าหันหน้าไปที่โลง่งหันหน้าไปทางที่ตะวันออกไม่ดีเพราะอะไรเพราะทิศโลง่ลงๆทิศอะไรกระจ่างกระจางเนี่ยมันชวนให้คิดฟุ้งซ่าน พวกกระถองดอกบลูดอกไม้ต้องมาถอยออกหมดอย่าให้มาติดอย่ามาประดับทำม่านก็อย่าให้มีมีลายลูกมงลูกไม้ไม่ดีต้องเป็นม่านโลน้โลนๆสีไม่ชวนให้คิดฟุ้งซ่านเนะี่ยสีสีชวนหลับมาดีพูดง่ายเพราะพวกฟุ้งซ่านเออเนี่ยท่านก็ว่าไว้อย่างงี้ถ้าคนไหนเป็นคน อ, อโมหะจริตต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะ หันหน้าไปอย่างที่ลงเพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องปลุกความคิดให้มันกระจ่กระเจงกรจุงมระจุยอย่างนี้แล้วก็บางที่เนี่ยที่เลือกเนี่ยาอาจจะไม่ไม่ได้เหตุผลทางจริตแต่เป็นเหตุผลทางกรรมของบุคคลนั้นกับที่นั้นกับอาจารย์คนนั้นบุคคลคนนั้นสิ่งเหล่านี้นะรู้ไดย้ยากนะเราก็อาจจะใช้โดยหลักประมาณว่าเอเอ คนไหนควรจะไปอยู่ที่ไหนนอกเหนือไปจากไอ้ความหนาวความร้อนที่มจะถูกกับแต่ละคนแต่ละคนแล้วอันนี้ก็ว่าไว้สําหรับผู้ปฏิบัติเบื้องต้นนั่นเองอะ่ะพอบรรลุธรรมและเงื่อนไขเหล่านี้ก็เป็นอันว่าพน้นไะไม่ใช่จะต้องตกอยู่ในอานาจเงื่อนไขเขาเรียกว่าใช่สิ่งเหล่านี้มาเป็นเงื่อนไขเพื่ออาศัยพอพ้นแล้วก็แล้วกันแต่ว่าอย่าไปอวดวิเศษตั้งแต่ต้นแต่อวดวิเศษตั้งแต่ต้นก็ไม่ได้ธรรมะ อันนี้คือจุดอ่อนเนี่ยฮะคนเราเนี่ยมีจุดอ่อนทางกรรมทางกิเลสทางวิบักก็จะต้องระวังจุดอ่อนเหล่านั้นแล้วก็จัดตัวให้เหมาะให้สมเรื่องทำนองอย่างนี้นะมีมากน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งแต่เราเราคือผมไม่เคยยังไม่เคยรวบรวมมาทั้งหมดมาพูดสักทีนะแต่าฝากไว้เป็นความคิดรวบยอดว่านี่คืออา่า หลักอันหนึ่งทีนี้มาพูดถึงว่าไอ้กระแสะเหตุปัจจัยเหล่าเนี้ยมันมีทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งกรรมทั้งไอ้สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ว่ามันเข้าไปสู่ความสืบต่อของนามลูกที่ผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับเหตุปัจจัยอัตตนันยูตาจึงดีขึ้นปุขลัญยูตาจึงดีขึ้นปริสันยูตาจึงดีขึ้นหรือความรู้ตนเองความรู้บุคคลอื่นจึงดีขึ้นเพราะเหตุอันนี้ ทีนี้ที่ว่านานัตะาหนนานัตตาหนคือเห็นในแห่งความต่างกันคื อ, อในสันคนเดียวกันเนี่ยที่ผมเคยบอกว่าการแบบถ้าถามว่าที่ยืนอยู่นี่กี่คนตอบว่าถ้าตอบให้ถูกละอย่างพระพุทธเจ้า ว, วางหลักไว้ กล่าวโดยสันดานคือโดยการสืบต่อนับว่าเป็นคนเดียวนี่ก็คือโดยโดยเอกาตานายโดยการสืบต่อนับว่าเป็นคนเดียวอย่างที่เรานั บ, นบกันนับโดยเอกาตานายแต่ของเราว่าไอ้คนเดียวโดยการสืบต่อแห่งขันและถามว่าเราในกอชาตินี้กับชาติก่อนคนเดียวกันหรือคนละคน โดยสันดานตอบว่าเป็นคนเดียวกันในกอตั้งแต่ตอนทำอนันตริเรกรรมจึงกระทั่งถึงชาติสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ดับกันเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนตอบว่าคนเดียวกันโดยสันดานหรือโดยเอกัถนัยโดยการสื่อต่อซึ่งคนอื่นจะมายุ่งด้วยไม่ได้เลยนะแล้วไม่มีการแยกไม่มีการอาวตารไม่มีใครเขามาขอร่วมหุ้นมาขอมา เอาขันของตัวเองเนี่ยมาขอร่วมรวมกับของเรารวมไม่ได้ตัวใครตัวมันทีนี้ถ้าโดยขนาดเนี่ยคนเดียวโดยสันดานแต่ว่าไม่เป็นก้อนเป็นแท่งเดียวกันมัน เ, เป็นคนที่เกิดดับเป็นขนาดขนาคนเดียวเลยกลายเป็นหลายคนได้โดย หน้านัตตาในที่กล่าวว่าบุคคลผู้มักโกรธบุคคลผู้มักลิษยาบุคคลผู้มักอวดบุคคลผู้มีปัญญาบุคคลผู้มีศรัทธาบางทีเราก็เป็นทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าเราอาจจะมีทั้งดีก็หลายตัวชั่วกวาหลายตัวกลายเป็นบุคคลคนเดียวที่เป็นได้หลายอย่าง เพราะฉะนั้นโดยนัยยะที่กล่าวโดยขณะเนี่ยคนผู้ปฏิบัติไปเห็นโดยขณะนั้นจึงไม่เพลี่ยงพล้าเข้าไปหมายเอาคนที่นับโดยสันดานว่าเป็นก้อนเป็นแทน่งเป็นคนเดียวอย่างเป็นก้อนเป็นแทน่งเพราะอะไรเพราะในคนคนเดียวนั้นมันเกิดดับความคิดมันหลายหลกักความรู้สึกหลายหลกักนามรูปหลายหลกัก ข้อนี้แหละที่ท่านกล่าวว่าทําให้ละสัตตสตาทิฏฐิเพราะสัตตสตาทิฏฐินั้นเห็นเป็นเอกตะเอกัตะไนสุดโต่งไปจนเห็นเป็นก้อนเป็นแท่งไปก็ไปเป็นสัตสตาทิฏฐิแต่ผู้ที่เห็นอย่างในยานสีนี้เห็นความเกิดดับเกิดดับเป็นของใหม่อยู่เสมอที่เรียกว่ามันเหมือนกับ จะว่าคนเก่าก็ไม่ใช่เก่าทีเดียวใหม่ก็ไม่ใช่ใหม่ทีเดียวใหม่อยู่ในความเก่าเก่าอยู่ในความใหม่เลยไม่เป็นศาสถาทิทอฐผมถามว่าพระพุทธศาสนาอธิบายปรากฏการณ์ของนามและรูปอย่างนี้สอดคล้องกับความคิดสมัยใหม่หรือไม่สอดคล้องกับข้อที่มันควรจะเป็นใช่หรือไม่สอดคล้องนะ เราไปดูรูปของเราเรายังนึกว่าเอ๊ะนี่เราตายไปแล้วหรือรูปสมัยก่อนกับรูปสมัยใหม่ใช่ไหมหรือใครที่มีลูกมีหลานไปดูลูกสมัยลูกหลานยังเด็กอยู่เอ๊ะเขาตายไปแล้วหรือไอคนที่ยังอยู่นี่เป็นลูกคนนั้นหรือเปล่าตายไปแล้วทำไมเราไม่ร้องไห้ใช่ไมไอไอไอคนที่ยังอยู่ในรูปเนี่ยเราไม่มีโอกาสจะได้พบกับเขาอีกแล้วนะ่ กขตายไปแล้วใช่ไหมแล้วทำไมไม่ร้องไห้ไอเราไม่ร้องไหนะ้เนี่ยเพราะว่าไอความคิดเรายอมรับความสืบต่อเราจึงไม่ร้องไห้คนที่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกตังค์เล็กอย่างสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มาเยี่ยมกันง่ายๆไปแล้วจบเมื่อไหร่ก็มาให้พ่อแม่เห็นหน้าได้เหมือนนั้นบางทีตอนไปเนี่ยยังเด็กพอตอนมาเนี่ยโตแล้ว เอ้ก็เห็นพ่อแม่เห็นหน้าลูกก็ยังดีอกดีใจอยู่นั่นเองทำไมไม่ร้องไห้ตายแล้วแกวหน้าแกาไปไว้ที่ไหนนามรูปเดิมก็ไปไว้ที่ไหนไม่ร้องไห้เพราะว่าความคิดมันไม่ยอมรับในหลักเพราะนั้นนามรูปทั้งรูปทั้งนามเนี่ยก็ลื่นไหลเปลี่ยนไปแปลไปอย่างชนิดที่ไม่มีวันย้อนกลับมาอีกแล้วไปเรื่อยนะอย่างเราเนี่ย นึกแล้วมันก็น่ากลัวจริงๆครับแค่บางวางทีเราก็มานึกไอ้ความเป็นจริงเนี่ยนึกแล้วมันก็น่ากลัวจริงๆถึงทุกวันนี้ก็มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าเราเนี่ยหมูม้ากาไก่เป็นมาหมดแล้วก็ไม่ใช่ว่าถึงวันนี้เราจะเลิกเป็นนะครับตายแล้วก็อาจจะไปเป็นอะไรอีกก็ไม่รู้ ไปยิ่งไปสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่งน่ากลัวเพราะว่าสูงยิ่งสูงยิ่งโอกาสตกต่ําลงมาหลังจากนั้นยิ่งมีได้มากจริงหรือเปล่างไปเป็นเทวดาอเงี้ยพอพ้นจากเทวดาคิดหรือว่าจะไปเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ที่เราสั่งสมเคยชินไว้ว่าจะต้องอย่างโน้ยังงี้มันจะรับประกันได้ว่าเกิดชาติใหม่และจะต้องสุขสบายอย่างนั้นอย่างนี้จากนั้นเราจะไปเป็นอะไรอีกก็ไม่รู้ เอฟมันน่าเบื่อจริงๆนะนี่ถามจริงๆไม่เบื่อกันบ้างหนือเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเป็นหมูเป็นหมา ว, วันนี้ออกไม่รู้เป็นไงเห็นหมาถูกรถชนตายต่อหน้าต่อตาสองวันซ้อนติดๆกันเมื่อวานนี้ก็เจอต่อหน้าต่อตาเลยตายกลางถนนวันนี้ก่อนจะออกมานี่ยังไม่ทันขึ้นรถไอ้วันก่อนนะเห็นเราขึ้นรถแล้ว โดนชนตายต่อหน้าตาตาเราเราก็ถามตัวเองว่าเราไม่เคยเกิดเป็นอย่างนี้บ้างหรือคือเรื่องนี้ถ้านึกแล้วมันไม่ได้ความรู้สึกเนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวนะก็ฟังดูก็มันเหมือนไม่มีอะไรแต่สำหรับคนที่มีพื้นธรรมะโยสงกรนเนี่ยนึกทีไรแล้วมันน่ากลัวจริงๆ เราคงไม่ลืมว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ที่ตายจากมนุษย์แ ล, ล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยที่แท้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเประเตอสุรกายสัตว์นรกนมีเป็นส่วนมากและสัตว์ที่อยู่อ่ตายจากเดรัจฉานแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเดวดาก็มีเป็นส่วนน้อยโดยที่แทบก็กลับไปเกิดเป็นเดรัจฉานพวกวนอยู่ในนั้นเป็นส่วนมากเพราะอะไรเพราะโอกาสที่จะทําบุญกุศลมันมีได้น้อย แต่ว่าโอกาสในการทำบาปมันมีมากก็เลยลองเข้าไปอยู่ยนั้นแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นนะครับหาทางออกไม่เจอเราออกมาได้แล้วนะในในช่วงนี้ชาตินี้ก็เลยกลัวจะกลับเข้าไปอีกแต่พอกลับเข้าไปจริงๆก็เห็นเป็นดีทุกคนนะ ตอนนั้นโมหะมันครอบงำมันก็เหมือนเรามาเป็นมนุษย์อยู่ในสงสารเป็นเวลาเนี่ยโมหะมก็ครอบงําเห็นเป็นดีเห็นผิดเป็นชอบไปเกิดเป็นคังคกไม่เห็นว่าคังคกดีนมีที่ไหนในที่สามท่านกล่าวว่าการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมโดยปัจจัยอภิยาปาระไนในแห่งความไม่ขวนขวายก็เป็นอันปรากฏแก่เธอเพราะอย่างรู้ความที่ทัำหลายเป็นสภาพ ที่ไม่เป็นไปในอำนาจดังนั้นเธอก็ละอัตตาทิฏฐิได้ดียิง่งขึ้นในข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญอันหนึ่งคือข้อสามเนี่ยท่านกำลังจะบอกเราว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยความคิดที่จะเอาแต่ใจไม่ว่าจะเอาในทางดีทางชั่วก็ตามจะพลาลงทันทีครับเช่นว่า ไอเราในเวลาจะทําความดีเราก็มีลักษณะจะเอาแต่ใจจริงไม่จริงที่ใช้คําว่าเอาแต่ใจคือหมายความว่าบางทีเรามีปัญหานิดนึงเวลาจะแก้ก็อยากจะแก้ททีเดียวแล้วมันต้องสําเร็จเลยเวลาทํากรรมาฐานก็นั่งทีเดียวจะเอาให้อย่างงู้อย่างนี้เลยนี่คือลักษณะเอาแต่ใจเราจะยอมรับกระบวนการของเหตุปัจจัย และจะให้ความสำคัญในเชิงการทำอย่างเป็นเหตุปัจจัยนอกจากจะถูกต้องขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีความเย็นใจขึ้นในเรื่องนี้เย็นใจคือหมายความว่าไม่ไม่ใช่ว่าเป็นคนย่อหย่อนไม่ได้หมายความในเชิงย่อหย่อนแต่หมายถึงจะทำอย่างเย็นใจขึ้นต่อการสั่งสมเหตุปัจจัย ตอนนั้นก็จะละอัตตาทิฏฐิคือที่ถือว่าอย่างที่จะบอกว่าเล่านี่แหละเป็นผู้ริขิชีวิตตัวเองอย่างผิดๆก็มีใช่ไหมถ้าคนพูดคนนี้เป็นคนที่พูดอย่างเชื่อมั่นตัวเองจัดจนเกินไปถูกก็ผิดคือไม่ไม่ไม่ให้ความต้องการใครเลยอย่างคนที่มีความรู้ความสามารถว่าฉันจะประสบความสำเร็จอะไรเนี่ย ฉันคนเดียวท่านไม่เกี่ยวกับใครอยู่ที่ฉันคนเดียวจนเลยเถิดไปเนี่ยนี่เข้าข่ายลักษณะอตัตตาิฏิลืมคิดในเชิงเหตุปัจจัยลืมนึกว่าที่ตัวเองทําได้อย่างไรเพราะพื้นของเหตุปัจจัยมาอย่างไร mm. ก็จึงไม่แปลกหรอกครับที่คนธรรมะมักจะบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรให้เหตุปัจจัยก็ทำถูกไ้ย พระพุทธเจ้าท่านถึงกลัวตรงนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นวิริยะวาทีเหมือนกันคือความเพียรต้องถือความเพียรและถือความเพียรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งความเพียรไม่ใช่เป็นอัตตาผู้ลิขิตเพราะอะไรเพราะความเพียรเนี่ยมันไม่ใช่เพียรอย่างเดียวแล้วไม่ฟังเสียงใครจะได้รับความสําเร็จความเพียรต้องหมายถึงเป็นตัวจัดการเหตุปัจจัยจัดการตามเหตุปัจจัยเหมือนเป็นผู้จัดการความเพียร อยาได้ไม่ได้นั้นย่อมอยู่ที่เหตุปัจจัยในลําดับต่อไปท่านกล่าวถึงในที่สี่ว่าโดยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยเอวังธรรมดาในในอันเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็เป็นอันปรากฏเพราะอย่างรู้ความเกิดขึ้นแห่งผลโดยอนุรูปแก่ปัจจัยดังนั้นเธอก็ละอะัิคีภทิฏิได้ดียิ่งขึ้น อคติยาติทินั้นแปลว่าปฏิเสธความเพียนรนะปฏิเสธกิริยาคือปฏิเสธความเพียรเรียกว่าอคริยาติทิที่ใช้คําว่าอนุรูปแกอกปัจจัยเนี่ยหมายความว่าเหมาะสมความเหมาะสมของเหตุกับผลนี่นะเป็นเรื่องถือว่าแยบยนต์อันประเสริฐมาก ที่เราใช้คาว่ารู้ประมาณรู้ความเหมาะสมเนี่ยพอมาถามในทางปฏิบัติจริงๆหรือจะหาตำราอ่านให้มันครบถ้วนจริงเกิดไม่มีปรุงแต่เจ้าก็สอนไ่หมดเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้รายละเอียดเดยอะข้อนี้นะผู้ เมื่อปฏิบัติเห็นยานที่สี่นี้ย่อมเห็นความเหมาะสมกันระหว่างเหตุกับผลคือไอ้ความเป็นเหตุเป็นผลหน้าอันหนึ่งแล้วก็ความเหมาะสมที่ท่านเรียกว่าฐานะอาฐานะว่าเหตุอย่างนี้ย่อมเป็นฐานะของผลอย่างนี้เหตุเพียงเท่านี้จึงจะเป็นฐานะ คือเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างนี้ได้หลักตรงนี้สำคัญสาคัญมากจริงๆแล้วก็น่านับถือจริงๆสำหรับคนที่ได้สำนึกอันนี้ติดเนื้อติดตัวถ้าสมมติว่าเป็นตัวผู้ปฏิบัติเองเนี่ยบทที่อธิบายเรื่องสันโดษเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะ <ท Lanc an>ผมว่าผู้ที่เห็นอย่างนี้แล้วเกิดความพอเหมาะพอดีหมดนะทีนี้พูดถึงว่าเราก็มานึกถึงว่าอย่างเราๆเนี้ยไม่ว่าจ ะ, <S <S <S จะอะไรอะไรมันค่อนข้างจะบางทีมันขาดขาดเกินเกินที่เราใช้คาว่าขาดขาเกินเกินคว่าขาดขาดเกินเกินเนี่ยในตรงนี้ท่านมุ่งถึงสำนึกการยอมรับ ผลสำเร็จอันใดอันหนึ่งที่เราควรจะวางใจยอมรับอย่างพอเหมาะพอดีกับผลอันนั้นอันสมควรได้เหตุอันนั้นเราเองยมีลักษณะขาดขา ด, ขาดเกินเกินมากบ้างน้อยบ้างคนได้ยาณ น, นีลำพังได้สํานึกอันนี้มาก็นับว่าเป็นการเหมาะสม เ, เป็ น, เ ป, นเป็นการที่เอามาใช้ในชีวิตในสํานึกปกติได้เป็นอย่างมาก ทีนี้ผมอธิบายให้ชัดนงไปเนทิที่มีอกิริยาทิฏฐิคือพวกปฏิเสธกิริยาคือปฏิเสธการกระทำที่เหมาะสมแก่ผลอันนั้นเรียกว่าอกิริยาทิฏฐิแต่พระพุทธเจ้านี่ถึงจะยอมรับเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยอะไรทั้งหลายแหล่นียแต่ว่าท่าน ยอมรับการกระทํายอมรับความเพียรยอมรับสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบที่จะต้องจัดการชีวิตตัวเองเออความเพียรมีพลังอย่างไรในแง่นี้ต่อว่าความเพียร น, นั้นเป็นตัวสร้างปัจจัยจัดฉากของปัจจัยต่างๆให้เหมาะสมสอดคล้องกัน เหตุปัจจัยบางอย่างถ้าความเพียรไม่เป็นตัวเข้าไปจัดและเหตุปัจจัยมันไม่มาชนกันหรอกใช่ไหมเราเนึกถึงอย่างพวกพ่อค้าอะไรกันดี่เขาจัดอะไรต่ออะไรเป็นผู้จัดการนะรู้เลยว่าใครต้องการอะไรต้องจัดอะไรขึ้นอะไรยังไงเนี่ยทีนี้สมมุติเราอย่างเราเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยมีสมมติว่ามีอุปนิสัยที่จะบรรลุทําได้ในขั้นใดขั้นหนึ่ง แต่เราไม่ใช้ความเพียรเราก็บรุไม่ได้ถึงว่าในสมัยพุทธกาลจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็บรุไม่ได้ถ้าไม่ไม่เพียรเองไม่พยายามเองแล้วก็ในกระบวนการของความพยายามแต่ละขั้นเนี่ยอย่างที่ว่าเมื่อกี้ในเรื่องของสัพเพะยะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ความผิดพลาดความก้าวไปชา้าความก้าวไปไม่ถูก ความขัดข้องใดๆเนี่ยถามว่าเกิดจากอะไรตอบว่าเกิดจากการจัดความเพียรอย่างไม่อนุรุปกันระหว่างเหตุกับผลนึกออกไหมมันไม่อนุรูปกันถ้าเราจะใช้ความเพียรอย่างอนุรูปทำความอนุรูปแก่เหตุแก่ผลได้อย่างเหมาะเจาะเมื่ อ, อไหร่ความสำเร็จ ในทำชั้นนั้นย่อมได้โดยไวในการนั้นเป็นที่แน่นอนถ้าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นคนได้ยานที่สี่เนี่ยก็เป็นผู้จัดการชีวิตใครท่าใครได้อย่างดีอย่างนั้นหรือตอบว่าในที่นี้ท่านไม่ได้หมายถึงความเป็นผู้ที่รู้จักที่จะให้ใครเ้าทำความเพียรตัวเองตามความเพียรเพื่อผลสำลิดในทุกๆอย่างไม่ใช่อย่างนั้น แต่ในที่นี้ท่านหมายถึงการมองเห็นเหตุผลในสังสารวัตรทางออกในสังสารวัตเนี่ยเป็นหลักคนได้ยานที่สี่จะเห็นอันนี้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนพึงพาได้แล้วก็สิ่งที่อาจจะติดเนื่องมาด้วยก็คืออุปนิสัยในทางนี้ติดออกมาตำหนองว่ามาประยุกต์ใช้อย่างที่เราได้สํานึกจาก การปฏิบัติธรรมมาใช้กันในโลกโลกเนี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นผลมุ่งหวังอันเป็นผลโดยตรงก็ถือเป็นของแถมหรือเป็นผลได้โดยปริยายอันหนึ่งซึ่งก็เป็นประโยชน์มากด้วยเช่นเดียวกันกนนีไตรลักษณ์ปรากฏไตรลักษณ์ปรากฏอย่างไรอธิบายว่าด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยอนัตตลักษณะก็เป็นอันปรากฏแก่พระโยคีนั้น เพราะอย่างรู้ความที่ทําทหลายเป็นสภาพมีความเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยโดยไม่คลาดเคลื่อนคือแน่นอนอันนี้ก็ชัดเจนว่าอนัตตาที่กล่าวว่าเห็นได้ในที่นี้ย่อมเห็นเพราะเห็นความสัมพันธ์กัระหว่างเหตุกับผลหรือปัจจัยกับผลของปัจจัยไม่มีใครลี้คิดได้ ไม่ได้เกิดจากอัตาใดๆทั้งสิ้นพูดไปพูดมาแล้วก็จะเห็นว่าในหลายๆนัยยะที่ผู้เข้าถึงเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันแต่ท่านกำลังจะบอกว่านี่คือสํานึกที่ผู้ได้เห็นนามรูปโดยความเป็นอย่างนี้แล้วก็กระทบถึงแจ่มแจ้งถึงสภาวะธรรมอย่างอื่นได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง ข้อต่อไปกล่าวถึงการเห็นอนิจจาลักษณะที่บอกว่าด้ดยการเห็นความเกิดและความเสื่อมไปโดยขณนะเมื่อกี้โดยปัจจัยนะทีนี้เห็นโดยขณนะนี้อนิจจาลักษณะย่อมเป็นอนปรากฏแก่พระโยคีนั่นนี่ก็คือเห็นความเสื่อมโดยขณนะที่ว่าแตกไปดับไปท่านยกให้ว่านี่คือจุดของอนิจจาลักษณะนี่เพราะอย่าง รู้ความที่ทําทั้งหลายเป็นสภาพที่มีแล้วก็ไม่มีและเพราะอย่างรู้ความว่างเปล่าทั้งในส่วนก่อนและในส่วนหลังก่อนหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นไม่มีทำนี้มาก่อนอย่างที่ทำนี้มีร้อยเปอร์เซนตและหลังจากนี้ก็ไม่มีทำนี้อีกดับแล้วหายไปเลยซึ่งมันหน้ามองมองดูแล้วก็หน้าอาไลอาวอ์ ถ้าพูดถึงความรู้สึกอย่างเรานะ่ะหายไปเลยไม่มีโอกาสจะได้พบได้เห็นอีกแล้วเนี่หน้าหลายวอนมากเทียบเหมือนอย่างเราเห็นกันอย่างในตัดในบุคคลเนี่ยหายไปเลยเนี่หน้าหลายวอนแต่ว่าในความรู้สึกของผู้ปฏิบัตินั้นหน้าสมเพจน่าเวทนาหน้าปรองสังเวชหายแล้วหายไปเลยเรียกกลับคืนอีกไม่ได้ไม่มีอย่างเก่าอีกแล้วต่อไปทุกคลักษณะ ที่ท่านบอกว่าทั้งทุกขลักษณะก็เป็นอันปรากฏเพราะอย่างรู้ความถูกบีบคั้นด้วยความเกิดและความเสื่อมเพราะฉะนั้นคําว่าทุกตรงนี้ที่แปลว่าบีบคั้นเนี่ยคือความเกิดขึ้นกับความดับมันเป็นตัวบีบคั้นที่ทําให้เกิดทุกขเวทนาแล้วก็ทําให้เกิดทุกขลักษณะต่อไปอประการที่สี่ท่านบอกว่า แม้สภาวะลักษณะลักษณะที่เป็นสภาวะก็เป็นอันปรากฏเพราะอย่างรู้ความที่ทำความเป็นธรรมที่กำหนดไว้ด้วยความเกิดและความเสื่อมแล้วก็ห้าจุดห้าแม้ความที่เป็นสังคตลักษณะก็ะเป็นไปชั่วคราวคือชั่วขณะขก็เป็นก็ปรากฏในสภาวะลักษณะเพราะอย่างรู้ความไม่มีแห่งความเสื่อม ในลักษณะเกิดและแห่งความเกิดในลักษณะเสือ่อมสาหรับสภาวะลักษณะกับสังกตาลักษณะเนี่ยสองอย่างนี่เป็นการกล่าวรวบยอดถึงที่เิงอาศัยของอนิจจังทุกขังนาตาอยู่ในสภาวะลักษณะคือความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเกิดจากเกจากปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยก็เลยเป็นอนิจจังทุกขังนาตานะอละ น, นี้ก็สรุปเอาอย่างง่ายๆอย่างนี้ก่อน าีนี้มาดูประเด็นที่หกปัจจุบันคณิกาลายสาระตรงนี้ให้ความรู้สึกมากคือท่านกล่าวว่าสังขารทั้งหลายย่อมปรากฏเป็นของใหม่เป็นนิดแกพระโยคีนั้นผู้มีประเภทแห่งสัตว์ จ, จัปฏิจจในและลักษณะอันเกิดปรากฏแล้วอย่างนั้นโดยอย่างรู้ว่าทมเหล่านี้มิใช่ไม่เคยเกิดมาเกิดขึ้นมันเกิดแล้วย่อมดับไป อย่างนี้นี่เองไอ้ที่ว่าไม่เคยเกิดมาเกิดขึ้นเนี่ย<ม>อันนี้ท่านพูดตัวข้อความตัวนี้หมายก็ว่าไอ้เกิดเกิดัๆดบๆนี่มันไม่ใช่เพิ่งมีไม่ใช่ว่าเรามากำหนดเห็นมันจึงมีให้เพื่อให้เราเห็นเหมือนพะคีโรยหน้าพอเราไม่เห็นมันก็ไม่โรยพะคีมันมีของมันอย่างนี้เห็นหรือไม่เห็นมันก็มีของมันอย่างนี้ ไม่ใช่เป็นของใหม่เรารู้หรือไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นมันจึงน่ากลัวเสมอแล้วจะไปทำแบบว่าหลับตาเสียก็พ้นภัยเสือมาเวธีหนีเสืออย่างหนึ่งคือหลับตาแล้วเสือไม่กินมันก็กินอยู่ดีแหละถ้าเป็นผีอาจจะไปอย่างนะหลับตาแล้วก็ผีไม่หลอกเพราะถ้าผีหลอกต่างๆก็หลอกไม่ได้ คนตาบอดถึงผีหลอกไม่ได้หลอกต่างาอันนี้เป็นเพียงคาเทียบและต่อไปท่านบอกว่าอันหนึ่งใช่แต่ปรากฏเป็นของใหม่เป็นนิดเท่านั้นหาไม่ได้มันยังปรากฏเป็นของตั้งอยู่ชั่วการอันสั้นโดยปกติทั้งหยาดดังหยาดน้าค้างดังดวงอาทิตย์ขึ้น เ, เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นดังต่อมน้าดังรอยขีด ดังรอยไม้ขีดไปในน้ำนี่ไม่ใช่ไฟนะไม่ใช่ไม่ขีดไฟรอยไม้ขีดขีดไปในน้ำอะ่ะเป็นของปรากฏชั่วคราวแล้วก็ดังผักกาดที่ปรากฏปลายเหล็กแหลมก็ตั้งอยู่ไม่ได้นาะนแล้วก็ดังฟ้าแลบประเดี๋ยวเดียวก็หยุดจะมาแลบจ้าทั้งวันทั้งคืนหรือเป็นชั่วโมงก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นการบอกว่า เห็นนามรูปอายุสั้นแล้วก็มีตะของใหม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นทั้งยังปรากฏเป็นของไม่เป็นสาระคือไม่จริงจังไม่ยื่หลังยังยืนและไม่เป็นแก่นสารดังมายากลดังพยับแดดดังความฝันดังล้อไฟล้อไฟเนหมายถึงว่าคนที่เอาปลายไม้มาจุดไฟแล้วก็หมุนติ้วเป็นวงกลมเรียกว่าล้อไฟดังเมืองคนทัน คือหมายถึงในที่นี้ท่านหมายถึงมายาภาพที่บุคคลเห็นแล้วก็ดังฟองน้ำดังต้นกล้วยซึ่งไม่มีแก่นกลอกๆไปแล้วก็หายไปแล้วบางทีก็เปรียบเหมือนกับโรงพยาบาลอะไรต่ออะไรอีกหลายๆอย่างที่ว่าเป็นต้นเนี่ยในในเป็นคำพระพุทธเจ้าทั้งนั้นอ่ะ อาจารย์ตาท่านก็เก็บความมาบอกเขาไว้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องไม่มีสาระตัวเราเนี่ยนะไม่มีสาระเอาเป็นที่น่ายินดีเป็นที่พึงอะไรไม่ได้เลยนี่สำหรับคนไปเห็นอย่างนี้แต่ว่าคนไม่เห็นก็สำคัญสิ่งไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระอย่างพระพุทธเจ้าว่าแต่พอไปเห็นแค่แล้วมันก็ไปเป็นสาระแล้วก็มันก็ ก็น้าน่ากลัวแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าแสวงหาที่พึ่งที่ออกมันไม่รู้ใจหนีไปอยู่ที่ไหน เ, เปรียบเหมือนกับอย่างนี้เลยครับว่า อ, อคนที่สมมุติว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ต้องปวดไอพิษภัยจากแผลที่ตัวเองเป็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะกินยาอะไรก็ไม่หายอันนี้พอเทียบให้หนึกออก ไปที่ไหนก็ไม่หายไม่จะไปพึ่งใครได้เราคิดดูนะหรือเหมือนกับคนที่ผมเคยไปคุยมาแต่คุยเนี่ยเขาหายแล้วน้ํามันมันไหลมาลวกตัวมันโดนน้ํามันเบนซิ น, นแล้วก็ไฟลวกไม่รู้จะดับอีท่าไหนจนกระทั่งมันดับไปเองดับไปเองแล้วเกิดไม่ตายก็เหลือแต่เนื้อแต่ตัวเฟะไปทั้งตัวเนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่รู้จะช่วยยังไง ตัวเองก็ไม่รู้จะพึ่งใครจะให้เอาไอ้น้ำยาดับเลิง ม, มาดับไม่รู้จะทำยังไงหมอเองไม่รู้จะแตะตรงไหนถูกต้องทรมานเจ็บปวดอยู่อย่างนี้สามเดือนเต็มๆความเจ็บปวดจึงหายแต่หายก็ไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วเด็กเข็นก็วิ่งหนีแหละขนาดลูกของตัวเองยังยังไม่อยู่ด้วยเลย ไม่เชื่อบังเอิญไอ้ตอนเมื่อก่อนลูกยังเด็กไม่เชื่อว่านี่เป็นพ่อภรรยาถึงเชื่อก็อยู่ด้วยไม่ไหวเหมือน<ๆ>กันก็ก็เลยต้องมานั่งขอทานเขกินนี่บังเอิญหมุนไปมผาดมาข้างวัดหมห า, าธาตุสมัยก่อนนะนี่มันพึ่งไม่ได้อย่างนี้แล้วก็อ่าเราทําบางวิธีเนี่ยมันเห็นไอ้ทุกเวทนาที่มันบีบคั้นเนี่ยนะ มันก็แปลกดีว่าไอเวลาธรรมดาเนี่ยเราเปลี่ยนก็หายเลยแต่เวลาถ้าเราไปทำแบบวิยาบทเนี่ยโอ้โหเล่นเราเนี่ยชีวิตหงอยไปเป็นปีเลยครับตอนนี้ที่ไปได้หงอยเป็นปีเลยมันหงอยไม่ได้แปลว่าใจมันก็ทั้งบางทีมันก็สู้กันเหมือนกันนะมันบีบจนเรารู้สึกเนี่ยอยู่กำหนดกำหนดนี่นะพอเปลี่ยนวิยาบทปั๊บ มันจ่อมาแล้วเราเห็นเลยจ่อเริ่มคู่ขึ้นไหมครับคู่แล้วก็บีบบีบเข้ามาเราก็ดูเนี่ยรู้ต้องเปลี่ยนนะพอเปลี่ยนใหม่ปับ๊บมันจางมาันจอย้วเปลี่ยนปับ๊บจางจอยนะเลยรู้สึกว่าเฮ้เราจะไปอยู่ที่ไหนดีจะใช้อิรยาบทไหนดีจะไปอยู่ที่ไหนดีมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างรุนแรงว่าโอ้นี่คือทุกข์ที่เรียกว่าโดนบีบคั้น มันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็นึกมาว่าใครก็เป็นแล้วเราก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่ไม่มีใครเห็นเราไม่เคยเห็นทีนี้มันก็เกิดความคิดสู่กันว่าเฮ้แล้วไปเห็นให้ไปทุกข์ทำไมแค่ทุกข์โดยไม่เห็นมันก็ทุกข์พอสมควรจนได้แล้วไปเห็นให้มันทุกข์ทำไมเราก็รู้สึกว่าเอไม่เห็นก็ไม่ได้ไม่เห็นไม่ดี ใจมันก็เกิดอาการที่เรียกว่าซีดซีดเหมือนคนหน้าถอดสีอ่ะมันซีดมันแห้งมันจนทั้งมันมองเห็นในชีวิตนี่ไม่มีสาระเลยไม่มีสาระไอ้ความคิดอย่างงี้มันอยู่เป็นปีนะอยู่แช่อยู่เป็นปีเลยคำว่า ทุกเพราะถูกบีบคั้นเนี่ยเราก็เข้าใจซากซึ้งขึ้นอยากที่เราเห็นอย่างนี้นี่ น, น, น, นี่นี่เรื่องความรู้สึกครั้งแรกนานสิบยี่สิบปีเห็นจะยี่สิบปีแล้วคราวนี้มาอีกครั้งหนึ่งมันไม่ได้ทุกอย่างนี้คือนี่ผมเคยเล่าแล้วผมเห็นบนที่นอนที่ผมกำลังนอนอยู่ คืนแรกที่ออกจากกรรมาฐานมาใหม่เอี่ยมเลยกรรมาฐานติดตัวมาอย่างดีแต่ตอนอยู่ในในการปฏิบัติไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มันเกิดมาได้ที่บ้านพอเรานอนเราก็กําหนดเห็นทั้งตัวเราเนี่ยครับแตกสลายอย่างรู้สึกว่าหน้ากลัวมากเลยหน้ากลัวจริงจริงแตม่มันไม่ได้เป็นทุกข์อย่างนั้นนะ มันมีความรู้สึกคนน้ากลัวพึ่งพาไม่ได้แล้วนี่ทำไงดีก็ดีที่ว่าตอนกำลังเห็นอยู่เนี่ยมีคนโทรศัพท์มาพอดีเลยเราตาบ่าแตกไม่รับโทรศัพท์ทาอีกทีไม่เห็นเลยเขาทีนี้ตาบ่าแตกแล้วเนี่ยไม่คนโทรศัพท์มาเขาก็ไม่บาปแล้เขาไม่มีเจตนาะมันคนละ ไอ้ลูกการแต่ว่ามันให้ความรู้สึกคล้ายๆกันนะฮะคือเกิดความรู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วก็พึ่งพาไม่ได้ก็เห็นจะว่าถ้าจะสงเคราะห์สัญญาเนี่ยนะเอเห็นอย่างแรกเรียกว่าเห็นทุกขสัญญาเห็นในเชิงทุกขสัญญาเป็นเจ้าเลือนเห็นอย่างในอย่างหลังเนี่ยเห็น อ, อนิจจสัญญา ความแตกสลายอย่างไม่มีชิ้นดีเหมือนกับคนอยู่ท่ามกลางพายุหรือเหมือนกับคนที่เข้าไปในตึกแล้วตึกเกิดพังทลายลงมาเนี่ยนะไอ้ที่ผมเทียบอย่างนี้นะผมนึกทีหลังเพราะว่าบังเอิญผมไปนั่งรับประทานอาหารก่อนจะมามีครับแค่เพดานมันหล่นลงมาด้านนั้นนะ คนแตกตื่นกันเราก็มองดูเอนึกว่าตึกถล่มหรือเปล่าเนห้างแถวเนี้ยก็ เ, เลยนึกถึงอารมณ์วิปัสนาโอ้มันคลายกันเลยนะเนี้ยคนจะต้องหาทางออกหน้าสะพึงกลัวทั้งไอ้ปราบกฎการแล้วก็ทั้งเสียงคนวีดไว้กระตูหูกันขึ้นกันนะถามว่าเอ้ได้อยู่ดีๆแล้วไปเห็นไปหาเรื่องไปหาเรื่องเห็นทำใหม่ อยู่ดีๆงี้ไม่มีความสุ ข, ขวาเลยทำไมจะต้องไปเห็นเห็นล่วไมได้อะไรขึ้นมานี่แหละครับกีเลสเราถึงจะสิน้นแล้วก็เห็นภัยในสังสารวัฏเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าภัยในสังสารวัฏเนี่ยคิดยังไงก็รับรองคิดไม่ออกต้องไปรู้ไปเห็นอย่างนี้ถึงจะเข้าใจแล้วก็เห็นความน่าสะบืงกลัวถึงจะเป็นความเห็นในชั้นต้นๆก็ยังรู้สึกรุนแรงอย่างนี้แล้ว เป็นอันว่าเรื่องการเห็นได้ยานที่สีเนี่ยจะจบอย่างนี้ทีนี้คราวหน้าเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายผมก็คิดว่าอาจจะเลือกประเด็นที่จะมาพูดเป็นเรื่องเกร็ดเรื่องประวัติเรื่องอะไรที่มันพอฟังง่ายๆหน่อยมาทิ้งท้ายในจอนจบ สักครั้งหนึ่งน่าจะดีนะฮะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเชื่อไหมฮะบรรลุพระอรหันต์เพราะผูกคอตายเนี่ยเผื่อใครจะเอาไปไ ป, ไปใช้บ้างเป็นภิกษุณีรูปหนึ่งฆ่าตัวตายผูกคอตายไปบรรลุเป็นพระอรหันต์เออก็แปลกดีเหมือนกันนะทำไมจะต้องไปบรรลุอี ด, ด้านนั้นครับแต่บังเอิญไม่ตายก็เลยบรรลุเป็นประอรหนันต์บรรลุแล้วฆ่าไหม ก็ไม่กล้าแล้วก็ยังมีคนอื่นๆ อ, อีกที่เราก็จะได้ข้อคิดจากบุคคลเหล่านี้แล้วก็พวกพระสูตรอะหลายๆอย่างคือที่พูดถึงเรื่องความเปิดดับนี่ผมยังไม่ได้เอาพสูตรมาที่เป็นเชิงหลักฐานมาพูดให้ฟังนะก็จะคัดคัดบางส่วนเนี่ยมาเลือกพูดให้ฟังเป็นอีกมุมหนึ่งเพื่อเสริมเรื่องความเปิดดับตรงนี้ แต่ว่าส่วนที่เราไม่ได้พูดไปคือยานสามอันนั้นก็ก็ถือว่ากล่าวไว้เป็นอย่างสังเกตไปก็แล้วกันไม่กล่าวโดยพิสดารวันนี้ก็ขอหยุดติตามมาใยเท่านี้นะครับพบกันอาทิตย์หน้าอีกครั้งหนึ่งครับวันเสาร์หน้ากราบขอบพระคุณอาจารย์เทพ แทนพวกเราทุกคนด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ก็ <c oughs> พูดมาถึงยานที่สี่ที่เรียกว่าอุทยพยายานอุทัยอุทยะกับวยะหรือพยะหรือไวัยภาษาไทยที่แปลว่าเสื่อมอุทัยก็เกิดขึ้นอาทิตย์อุทัยก็พรอาทิตย์ขึ้นนะฮอายานนี้เป็นญาณที่สี่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยในยานสิบหกเนี่ย ยานสิบหกเนี่ยเออยานที่สี่ถึงยานที่สิบสองเนี่ยเป็นวิปัสสนาญาณที่แท้จริงเพราะฉะนั mm ้น hmm. ยานที่สี่จึงเป็นยานหัวเลี้ยวหัวต่อ mm hmm. คนที่เกิดมาเป็นบุคคลสองเหตุคือมีแต่อโลพาเหตุกับอโทชาเหตุแต่ไม่มีเหตุที่สามคืออโมหะเหตุคือไม่มีปัญญา น, นั่นนะนะคะ ท่านว่าถ้าเบื่อทาวิปัสนาเนี่ยจะได้แค่อุทยภัยายานเท่านั้นเพดานบินจะสูงแบบ น, นั้นไม่ได้นะฮะเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่าเลิกทํายิ่งเราจะต้องทําใหญ่และเพื่อเมื่อเราทําแล้วเนี่ยเอชาตินี้เนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเกิดใหม่เนี่ย เกิดใหม่มาเป็นคนที่มีบุคคลสามเหตุนะคะ เ, เพราะฉะนั้นวิปัสนาญาณจริงๆเนี่ยจากญาณทั้งสิบหกเนี่ยวิปัสนาญาณจริงๆเนี่ยจึงมีแค่เก้านะคะคือญาณที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบที่สิบเอ็ดที่สิบสองซึ่งได้แก่อนดโลมยาน พอจากนั้นก็กลายเป็นโคตรภูยานนะคะไม่ได้มีใจรักเป็นอารมณ์แล้วนะคะแต่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ยังเป็นโลกีย า, ยานก็จริงแต่เป็นโลกีย า, ยานพิเศษนะฮะ <With> โลกียะเนี่ยก็ไม่ควรจะมีนิพพานมาเป็นอารมณ์แต่มันเป็นโลกีย า, ยานพิเศษเแล้วก็ตามด้วยมัคคยานผลยานแล้วก็ปัจเวกขณาญาณนะคะ ฉะนั้นเราเรียนเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็อาจารย์ก็ได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่ า, เ, าเรื่องเทียบยานเนี่ยเป็นของยากแล้วเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องอศึกษาและปฏิบัติให้ลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้มาก เ, าเพื่อจะได้มีประสบการณ์ แล้วเข้าถึงสภาวะที่แท้เจ๋งแล้วก็ศึกษาก็ต้องศึกษาให้ให้มากนะให้มากเพื่อโดยเฉพาะย่างยิ่งคนที่จะไปเทียบยางเทียบยางของตัวเองนี่ก็ยากพออยู่แล้วนี่ยังไปเทียบให้คนอื่นอีกเนี่ยนะคะยิ่งยากใหญ่วันนี้ก็เป็น เป็นอนุสติเตือนนะคะที่อาจารย์พูดไว้ตอนต้ น, นแล้วอาจารย์ก็ได้สรุปถึงว่าเวลาเข้าไปแจ้งในอุทยะอุทัยความเกิดแล้วก็พยะหรือวยะความเสื่อมคือความเกิดของดับของรูปของนามเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่เป็นสาระไม่เป็นสาระจริงๆแล้วเนี่ยเ อ, อย่างทุกวันนี้เนี่ยนะคะ ตัวพี่เองเนี่ยก็วันๆหนึ่งเนี่ยนอนลงหลับลงเนี่ยนะคะทบทวนเอว่าอย่างของ ผ, ผูหลุยท่านชอบพูดว่าเรามาค้าขายนะขัดทุนก็ขัดทุนใหญ่ได้กําไรก็ได้กําไรใหญ่นะคะ เ, <อ>เรามาค้าขายแต่ละวันเนี่ยเรากลับบ้านใช้เราเป็นแม่ค้าหาบ เ, เร่นเนี่ยเรากลับไปบ้านเนี่ยเราเราทบทวนดูว่า วันนี้เราขัดทุนหรือได้กำไรอะไรกับชีวิตซึ่งจริงๆแล้วโดยสภาวะแล้วไม่มีอะไรเป็นแกนสาราระบังคับบัญจาไม่ได้เออ่ถูกบีบคั้นอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ละวันเนี่ยจะตอบได้ว่าวันนี้ไม่ขัดทุนเนี่ยก็เพราะวันนี้เนี่ย อ, อได้ทําอะไรอ่าได้พูดอะไร แล้วได้คิดอะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธพรธรรมและพระสงฆ์ก็เหมือนกับที่พี่หายไปหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะเวลาที่หายไปเนี่ยที่แรกก็เป็นเพียงแต่ไปทำหน้าที่ทางโลกๆหลานแต่งงานที่เมือง น, นอกเนี่ยแต่การไปครั้งนี้กลับถ้าเบอ่์คิดต้นทุนกำไรกลับได้กำไร แล้วกลับมาแลก็เจอหน้าใครก็บอกว่าเอาบุญมาฝากซึ่งไม่ใช่วิสัยของคนที่เป็นป้าไป็ปในงานแต่งงานหลานแล้วบอกว่ากลับมาแล้วเอาบุญมาฝากนะฮะแต่ที่พูดอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าก็เพราะว่าระหว่างที่หายไปเนี่ยได้ทำได้พูดได้คิดอะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฮะ นี่คือออ่ในไหนรูปนามของเรามันก็ไม่เป็นสาระอแต่เราทําให้มันเป็นสาระได้และด้วยการทําให้เป็นสาระเนี่ยเราจะไปเข้าเข้าไปสู่จุดที่เห็นด้วยตัวของเราเองว่ามันไม่เป็นสาระถ้าเบอรเราไม่ทําอย่างนี้เนี่ยเราก็จะ เห็นของที่จริงๆแล้วไม่เป็นสาระเลยนี่เป็นสาระแล้วก็ยึดแล้วก็ถือด้วยความมืดบอดนะก็วันนี้กเ็เวลาก็ล่วงเลยมามากแล้วแล้วก็ถ้าเผื่อหลังจากเบรกแล้วเนี่ยถ่านน้าแล้วเนี่ยพี่ก็มีของฝากจากสหรัฐ ก็จะพูดให้ฟังว่าที่บอกว่าเอาบุญมาฝากนั่นนะ่ะไปได้บุญยังไงมามั่งนะคะก็จะพูดสักชั่วโมงหนึ่งถ้าเผื่อใครอยากรับฝากบุญหรือมีเวลาก็กเชิญฟังนะคะพื้นธรรมดาจะพูดเรื่องรูปปรมัตถ์แต่ห่างไปนานวันนี้ที่อาจารย์มาพูดอะไรละอ า, อ า, อาอหารอุตุชารูปเนี่ย รูปที่มีอุตุเป็นอะแอปเปนปัจจัยแต่อุตุอันนี้มาจากอาหารเนี่ยนะคะนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรูปปรมัติต์ซึ่งธรรมดาจะต้องพูดนะแต่วันนี้ขอขอขอขอาบุญมาฝากก่อนนะคะนะก็เอ่อในลำดับต่อไปก็ขอเชิญชวนทุกทุกท่านได้กล่าวคาถากรวดน้ำนะคะแล้วอุทิศกุศลแล้วก็แผ่เมตตา บุญยสิธ า, า, นนานิกตัสะญานัญญานิกตานิเมเตสันจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมาณกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ขา้าพเจ้าได้ทําในปัจจบันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ขา้าพเจ้าได้กระทําแล้วเยปยาคุณาวันตาจะ <c oughs> คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณ ไมหังมาตาปิตาทะโยมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิฐาเมจาปยัติทิฐาวาที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้นไม่ได้เห็นอันเยมัชั ต, ตะเวริโนสัตตาติทันติโลกัสมิงและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่มีกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเตภูมมาจัตุโยนิกา เกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสปัญเจกะจะตุโฮการามีขันห้าและขันหนึ่งและขัน 4, สี่สังสรันตาพระวาพะเวท่องเที่ยวในพบน้อยและพบใหญ่